بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ด้วยพระนามของอัลเลาะห์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมออัลลซีนะกะฟะรูวะซัดดูอันซะบีลิลลาฮิอฎัลละอะอ์มาละฮุมบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาและปิดกั้นหนทางของอัลลอฮนั้นพระองค์ทรงทําให้การงานของ والذين امنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم كفر عنهم سيئاتهم واصلح بالهم سونบรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีทั้งหลาย และศรัทธาในสิ่งที่ถูกประทานแก่มูฮัมมัด และว่าอัลกุรอานนั้นเป็นสัจธรรมที่มาจากพระผู้อภิบาลของพวกเขาพระองค์จะทรงลบล้างความชั่วของพวกเขาให้ออกไปจากพวกเขาและจะทรงปรับปรุงสภาพของพวกเขาให้ดีขึ้นแล ذلِكَ ال بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ وأ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ, الح من رَبِّهِمْ كَذَلِكَ ال يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ ครั้งนี้เพราะว่าบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาได้ปฏิบัติตามความเพทแต่บรรดาผู้ศรัทธานั้นได้ปฏิบัติตามสัจธรรมที่มาจากพระผู้อภิบาลของพวกเขาเช่นนั้นแหละอัลเลาะห์ทรงยกอูทาฮอนของพวกเขาแก่ปวงมนุษย์กะอิดาลากีตุลลดีนกะฟะรูฟัดดัรบอรริกอบะฮาตตาอิซาอัซฮันตุมูฮุมฟัชุดดุลวะซาเก فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَظُّ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِّيَبْلُوَ وَبَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ และเมื่อพวกเจ้าพบบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาก็จงฟันคอเสียจนกระทั่งเมื่อพวกเจ้าปราบพวกเขาจนแพ้แล้วก็จงจับพวกเขาเป็นเชลยหลังจากนั้นจะปล่อยเป็นไทหรือจะเรียกเอาค่าถ่ายก็ได้จนกระทั่งการทำสงครามได้สิ้นสุดลงด้วยการวางอาวุธเช่นนั้นแหละและหากอัลเลาะห์ทรงประสงค์แน่นอนพระองค์จะทรงตอบแทนการลงโทษแก่พวกเขา แต่ทั้งนี้เพื่อพระองค์จะทรงทดสอบบางคนในหมู่พวกเจ้ากับอีกบางคนส่วนบรรดาผู้ที่ถูกฆ่าตายในทางของอัลเลาะห์พระองค์จะไม่ทรงให้การงานของพวกเขาไร้ผลเป็นอันขาดพระองค์จะทรงชี้แนะทางแก่พวกเขาและจะทรงปรับปรุงสภาพของพวกเขาให้ดีขึ้นและจะทรงให้พวกเขาเข้าสวนสวรรค์ ซึ่งพระองค์ทรงแจ้งให้พวกเขารู้แล้วเอายูฮัลลอดีนอามะนูอินตันซุรุลลอฮายันซุรุกุมวะยัตบิตอักดามุกุมโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายหากพวกเจ้าสนับสนุนศาสนาของอัลเลาะห์พระองค์ก็จะทรงสนับสนุนพวกเจ้าและจะทรงให้เท้าของพวกเจ้ามั่นคง والذين كفروا فتعس لهم واضل اعمالهم ส่วนบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นความพินาศหายนะจะได้ประสบแก่พวกเขาและพระองค์จะ พระองค์จึงทรงให้การงานของพวกเขาไร้ผลเอฟะลัมยะซีรูฟิลอัรฎฟายันดูรูไคฟะกานอากีบะลละดีนมินกับลีฮิมดัมมะรอัลลอฮุอะลัยฮิมวะลิลกาฟิรินอัมซาลุฮาพวกเขาไม่ได้ท่องเที่ยวไปในแผ่นดินดอกหรือแล้วพิจารณาดูว่าบ้านปลายของประชาชาติในยุคก่อนหน้าพวกเขานั้นเป็นเช่นใด อัลเลาะห์ได้ทรงทำลายล้างพวกเขาและสำหรับพวกปฏิเสธศรัทธาก็เช่นเดียวกัน ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم ทั้งนี้เพราะว่าอัลเลาะห์นั้นทรงคุ้มครองบรรดาผู้ศรัทธาและแน่นอนพวกปฏิเสธศรัทธานั้นไม่มีผู้คุ้มครองสำหรับพวกเขา ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار والذين كفروا يتمتعون وياكلون كما تاكل الانعام النار مثوى لهم ထာဝရဘုရားသခင်ကယုံကြည်သူနဲ့ကောင်းမှုပြုသူတွေကိုပျော်ရွှင်တဲ့ဥယျာဉ်တွေထဲကိုဝင်ခွင့်ပေးပြီးမယုံသူတွေကိုတော့သိုးတွေလိုမီးထဲမှာနေစေတယ် ซึ่งมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านอยู่เบื้องล่างส่วนบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นพวกเขาจะหลงระเริงและกินเยี่ยงสัตว์และฝ่ายนรกคือที่พำนักของพวกเขา لكي تنبون من له التي مي กําลัง kemแข็ง กว่าตําบลของเจ้าซึ่งมันขับไล่เจ้าออกไปเราได้ทําลายล้างพวกเขาดังนั้นสําหรับพวกเขาจึงไม่มีผู้ช่วยเหลือใดๆ افمن كان على بينه من ربه كما زين له سوء عمله ਕਮਨ ਜ਼ੁਯਿਨ ਲਹੁ ਸੂ ਅਮਲਿਹ ਵਤਬਉ ਅਹਵਾ ਅਹਮ ਦਨਨ ਪੂ ਥੀ ਯੂ ਬਨ ਲਕ ਥਾਨ ਅਨ ਚਤ ਚੈਂਗ ਚਾਕ ਪ੍ਰਾ ਪੂ ਅਭਿਬਾਨ ਖੋਂ ਪੂਆ ਖਾ ਚ ਮੇਨ ਕਾ ਪੂ ਥੀ ਕਵਮ ਚੂਆ ਹੈਂ ਕਾਨ ਨਗਾਨ ਖੋਂ ਖਾ ਡੈ ਥੂਕ ਕਰਾ ਥਮ ਹੈਂ ਪ੍ਰੋਰ ਪ੍ਰਾਓ ਕਾ ਖਾ ਲਾ ਪੂਆ ਖਾ ਕਾ ਪਾ ਤਿਬਾਤ ਤਾਮ ਅਰੋਮ ਫਾਈ ਤਾਮ ਖੋਂ ਪੂਆ ਖਾ ਕਰਾ ਨਨ 1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 وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَطَعَنَ أَمْعَاءَهُمْ أُضِمَّ سُورِ سَوَانٍ الَّذِي بَنَاهُ الْعَالَمُونَ มีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านไม่ผันแปรทั้งรสและกลิ่นและแม่น้ำเป็นนมหลายสายที่รสชาติของมันไม่เปลี่ยนแปลงและแม่น้ำจันทร์หลายสายเป็นที่โอชาอร่อยแก่ผู้ดื่มและแม่น้ำที่เป็นน้ำผึ้งที่สะอาดบริสุทธิ์หลายสายและสําหรับพวกเขาในสวนสวรรค์นั้นมีผลไม้หลายชนิด และการอภัยโทษจากพระผู้อภิบาลของพวกเขาดั่งอุปมาผู้ที่พำนักอยู่ในไฟนรกและถูกให้ดื่มน้ําร้อนร้อนจัดและมันได้ตัดลําไส้ของพวกเขาขาดกันนั้นหนึ่งอะมินฮุมมันยัสตัมออะลัยกะฮัตตาอิซาคอรุจูมินอินดิก حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ เมื่อกี้เนี่ยมุฮัมมัดพูดอะไรกันชนเหล่านี้แหละคือบรรดาผู้ที่อัลเลาะห์ทรงประทับตราหัวใจของพวกเขาและพวกเขาปฏิบัติตามอารมณ์ฝ่ายต่ําของพวกเขาวัลลซีนะห์ตะดะฮูซาดะฮุมฮุดะวะอาตาฮุมตักวาฮุมส่วนผู้ที่ปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกต้องพระองค์จะทรงเพิ่มแนวทางที่ถูกต้องให้แก่พวกเขา และจะทรงประทานให้แก่พวกเขาซึ่งการยำเกรงของพวกเขาแท้เหลียวดูพวกเขามิได้รอแต่เวลาอันจะมาถึงพวกเขาโดยฉับพลันเพราะว่าเครื่องหมายของมันได้มาถึงแล้วแท้แน่นอนพวกเขาเมื่อมาถึงพวกเขาด้วยการเตือนของพวกเขาดังนั้นพวกเขาไม่ได้คอยสิ่งใดนอกจากวันอวสานซึ่งมันจะมาหาพวกเขาอย่างกระทันหัน แต่ว่าเครื่องหมายต่างๆของมันได้มีมาแล้วดังนั้นเมื่อการตักเตือนของพวกเขาได้มายังพวกเขาแล้วจะเกิดประโยชน์อันใดแก่พวกเขาอีกแล้วซะลัมอันนะฮูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮวัสตัฆฟิลิซันบิกวะลิลมุอ์มินีนวัลมุอ์มินาตวัลลอฮุยะอ์ลัมมุตักัลลับุมวะมะธวาคุมฉะนั้นพึงรู้เถิดว่า ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์และจงขออภัยโทษต่อความผิดเพื่อตัวของเจ้าเองและเพื่อบรรดาผู้ศรัทธาชายและบรรดาผู้ศรัทธาหญิงและอัลเลาะห์ทรงรู้ดียิ่งถึงบริการของพวกเจ้าและที่พำนักของพวกเจ้าวายะกูลุลละซีนอามานูลาอูลานซิลัตซูเราะฮ์ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقَ اللَّهُ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ لَبَنْدَا ภูศัทธากล่าวว่าทําไมอัลกุรอานสักบทหนึ่งจึงไม่ถูกประทานลงมาครั้นเมื่อบทหนึ่งที่ชัดเจนถูกประทานลงมาและได้ระบุการทําสงครามไว้ในนั้นเจ้าจะเห็นบรรดาผู้ที่หัวใจของพวกเขามีโรคจะจ้องมองไปยังเจ้าเสมือนการมองของผู้เป็น ดังนั้นความหายนะจงประสบแก่พวกเขาเถิดการเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำพูดที่ดีไพเราะนั้นเป็นการดียิ่งดังนั้นเมื่อกิจการได้ถูกกำหนดไว้แล้วหากว่าพวกเขาจริงใจต่ออัลเลาะห์แล้วก็จะเป็นการดีแก่พวกเขา فهلعسيتم ان توليتم ان تبسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم ดังนั้นหวังกันว่า ถ้าพวกเจ้าจะผินหลังให้การศรัทธาแล้วพวกเจ้าก็จะก่อความเสียหายได้แผ่นดินและจะตัดความสัมพันธ์ทางเครือญาติของพวกเจ้ากระนั้นหรืออูลากัลลอซีนละอานะฮุมุลลอฮุฟออซัมมะฮุมวะออะมาอบซาระฮุมชนเหล่านี้คือบรรดาที่อัลเลาะห์ทรงสาปแช่งพวกเขา ดังนั้นพระองค์จึงทรงทําให้พวกเขาหูหนวกเป็นบ้าและตาบอดอะฟะลายะตะดับบะรูนอัลกุรอานอัมอะลากุลูบิอักฟะลูฮาพวกเขาไม่ได้พิจารณาใคร่ครวนอัลกุรอานดอกหรือหรือว่าบนหัวใจของพวกเขามีกุญแจหลายดอกลั่นอินนัลละซีนะรตะดดูอะลาอะดบาริฮิม بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وامنا لهم แท้จริงบรรดาผู้หันหลังกลับจากแนวทางที่ถูกต้องแผ่นที่ประจักษ์แก่พวกเขาแล้วซาตานมารร้ายได้ล่อลวงพวกเขา ذالك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر والله يعلم اسرارهم فَكَيْفَ إِذَا تُوُفِّيَتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ لَسَفَاحُهُمْ جَأَن بِتَنَايَ الْحَيَاةِ لِأَجْلِ وَجْهِهُمْ وَخَلْفِهِم ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ทั้งนี้เพราะว่าพวกเขาได้ปฏิบัติตามสิ่งที่จะก่อให้เกิดความริ้วต่ออัลเลาะห์และพวกเขารังเกียจความโปรดปรานของพระองค์ดังนั้นพระองค์จึงทรงให้การงานของพวกเขาไร้ผลอันฮะซิบัลลดีนฟีกุลูบิฮิมมะรอดอัลลัยยุคริจอัลลอฮอัฎวานะฮุมบรรดาผู้ที่หัวใจของพวกเขามีโรคคิดรู้ว่าอัลเลาะห์จะไม่ทรงนําเอาความอิจฉาริษยาของพวกเขาออกมา ให้เป็นที่ประจักษ์ ولو نشاء اريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم اعمالكم لها غرض เราจะเปิดเผยพวกเขาแก่เจ้าและเจ้าก็จะรู้จักเขาอย่างแน่นอนที่เครื่องหมายของพวกเขาและแน่นอนเจ้าจะรู้จักพวกเขาในน้ำเสียงที่พูด และเราทรงรู้ดียิ่งถึงการงานของพวกเจ้าวะลันบลูอันกุมฮัตตานาอัลมะลมุญาฮิดีนมินกุมวัสซาบิรีนวะลันบลูวะอคบารกุมและแนนอนเราจะทดสอบพวกเจ้าจนกระทั่งเราได้รู้ถึงบรรดาผู้ต่อสู้ดิ้นรนและอดทนในหมู่พวกเจ้าและเราจะทดสอบการงานของพวกเจ้าด้วย ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين من بعد ما تبين لهم الهدى لا يضر الله شيئا وسيحبط اعمالهم تاจึงบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาจะปิดกั้นหนทางของอัลเลาะห์และต่อต้านรอซูล หลังจากทางนําที่ถูกต้องได้เป็นที่ประจักษ์แก่พวกเขาแล้วพวกเขาจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆแก่อัลเลาะห์ได้เลยพระองค์จะทรงให้การงานของพวกเขานั้นไรผลเอายูฮัลลซีนะอะติอุลลอฮวะอะติอุลรัสูลวะลาตับฏิลอะอ์มาลัคุมโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย จงเชื่อฟังอัลเลาะห์และรอซูลคนนี้เถอะและอย่าทําให้การงานของพวกเจ้าไร้ผลอินนัลลซีนะกะฟะรุวะซัดดูอันซะบีลิลลาฮิซุมมะมะตุซุมมะมะตุวะฮุมกุฟะอ์ฟะลัยยัฆฟิรุลลอฮุละฮุมแท้จริงบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาและปิดกั้นหนทางของอัลเลาะห์ พวกเค้าตายลงโดยที่พวกเค้าเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาอยู่อัลเลาะห์จะไม่ทรงอภัยโทษให้แก่พวกเค้าเลยฟะลาทะฮีนูวะตะดออูอิลัสซัลมิวะอานตุมุลอาอ์ลูนวัลลอฮุมะอะมาคุมวะลันยะตาระคุมอะมาลากุมดังนั้นเจ้าจงอย่าท้อแท้และเรียกร้องไปสู่การสงบศึกเพราะพวกเจ้าเป็นผู้อยู่เหนือกว่าแล้วเราทรงอยู่ร่วมกับพวกเจ้า และพระองค์จะไม่ทรงลดหย่อนผลตอบแทนแห่งการงานของพวกเจ้าอินนัลฮายาตุดดุนยาละอ์อ์บุนวะละฮูวะอินตูมินูวะตัตตากูยูอ์ติกุมอูจูรอกุมวะลายะซอลกุมอัมวาลักุมการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เป็นแต่เพียงการเล่นและความสนุกสนานเท่านั้นและหากพวกเจ้าศรัทธาและยำเกรงพระองค์ พระองค์ก็จะทรงประทานรางวัลของพวกเจ้าให้แก่พวกเจ้าและพระองค์จะไม่ทรงขอทรัพย์สินของพวกเจ้าอียัสอัลฟูมูฮาฟิยฮุกุมตับคูลูวะยุคริจอัฎวานุกุมหากพระองค์จะทรงขอทรัพย์สินพวกเจ้าและทรงรบราวพวกเจ้าให้บริจาคพวกเจ้าก็จะตรณีและพระองค์จะทรงให้ความอึดอัดใจของพวกเจ้าออกมาให้ประจักษ์เฮ้ وداعونا لتوفقوا في سبيل الله فمنكم فمنكم من يدخ و من يبخل فانما يدخل عن نفسه والله الغني وانتم الفقراء وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ فُرْغُ رُوเธิด วาพวกเจ้านี่แหละคือกลุ่มชนที่ถูกเรียกร้องให้บริจาคในทางของอัลเลาะห์แต่มีบางคนในหมู่พวกเจ้าเป็นผู้ตรณีดังนั้นผู้ใดตรณีเขาก็ตรณีต่อตัวของเขาเอง เพราะอัลเลาะห์เป็นผู้ทรงมั่งมีแต่พวกเจ้าเป็นผู้ขันสนและถ้าพวกเจ้าผินหลังให้พระองค์ก็จะทรงเปลี่ยนกลุ่มชนอื่นมาแทนพวกเจ้าแล้วพวกเขาเหล่านั้นจะไม่เป็นเช่นพวกเจ้า